พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่ากว้างขวางดีกว่าคับแคบวันนี้เป็นวันอังคารที่13มิถุนายนพุทธศักราช2560 เมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปจะตกปัจจัยที่เราได้วัดของเราได้จองเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นเราก็ได้หลวงพ่อแตะโป้งที่โรงพยาบาลอำเภอสังคม วานเนออกไปคณะกรรมการพวกน่ะออกไปโอนเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเป็นสามล้านหกแสนบาทพวกเราอนันมโมทนาอีกรอบหนึ่งหน่าเกิดมาพบใดชาติใดคำว่าอดอยากคำว่ามีโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีถึงยังไงพวกเราก็คงจะได้เวียนว่ายตายเกิดก็คงจะไม่ ถึงนิพพานง่ายแต่พูดถึงนิพพานได้ก็อนุโมทนาสาธุข้ามฝั่งไปแล้วถ้าว่ายังไม่ถึงยังไม่ข้ามฝั่งบางคนก็มองไม่เห็นฝั่งของทะเลบางคนก็มองพอเห็นฝั่งแต่บางคนก็ขึ้นมาใกล้สายหาดในที่ปลอดภยัย ไป่วัดถึงยังไงก็ถึงเข้าฝังได้แน่ๆนี่แหละบางคนก็ขึ้นถึงฝั่งเป็นที่ปลอดภัยนี่ก็เหมือนกันถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเร า, เาบางทีเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมองไม่เห็นฟักฝั่งเหมือนกับอยู่ กลางน้ำมหาสมุทรทะเลไม่รู้จะไปทางทิศไหนทิศเหนือทิศใต้ก็ไม่รู้พอยกกลางมหาสมุทรแต่บางคนก็มองเห็นทิวเขาภูเขาเห็นฝั่งแต่ก็อย่างริบเร็วอันนี้ก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายได้ภาวนารักษาศีลภาวนาปฏิบัติ เรายังมองเห็นทางที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเห็นแนวทางแต่เราไหว้เข้ามาใกล้ๆเราก็ยังมองไม่เห็นผลในสุดขึ้นมาถึงฝั่งพอถึงฝั่งคือที่เป็นที่ปลอดภัย เป็นที่ปลอดภัยก็คือพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันอันนี้คือเป็นที่ปลอดภัยแล้วใใครข้าว่าพ้นพิษภัยมาแล้วมั่นใจถ้าขึ้นถึงฝั่งแล้วก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือผู้ที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วพระนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเราเลียงเวียนไหว้ อยู่ในวัฏสงสารถึงยังไงก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบุรณกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะอันไหนไปจะเป็นเป็นบุญเป็นกุศลก็เก็บพร้อมลอมทําบุญทําทา น, นอนุโมทนาในบุญในกุศลอย่างที่หลวงพ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายนะช่วยกันเออซื้อเครื่องมือแพทย์อนุโมทนาเนอะ ก็เป็นจิตุปัจจัยของพวกเรานี่ยแหละจากนั้นก่อนเน่ยเราก็ทําบุญทําทานเกิดประโยชน์เอามายังไม่ถึงเดือนเครื่องมือแบ่งไม่ถึงเดือนใช้กับคนที่เกี่ยวกับตาเนี่ยเกือบสองร้อคนและนะ้วหลวงพ่อว่ามันมเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกทัน ท, ทายญาติโยมทุกคนได้มาบําเพ็ญ ได้สร้างบุญสร้างกุศลทำบุญเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็พร้อมกันปีนี้ดูๆแล้ววัดของเราลักษณะที่หลวงพ่อดูๆแล้วคงจะมีพระมากนะคณะสัทธาญาติโยมแต่อาจจะไม่ มากขนาดไหนหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบนะแต่ลักษณะจะมีพระเข้ามาแต่ทิ้งยังไงก็ตามนะขอให้พวกเราทุกทุกท่านาให้พวกเราทุกท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนชาวบ้านให้ช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันดูที่พักพาอาศัยของพระสงฆ์ที่ท่านจะพักพาอาศัยที่ไหนในองค์ไหนในคูบาทั้งหลายแล ควรจะตั้งทีมกันเป็นหัวหน้าองค์ไหนให้รักษากุฏิหลังไหนให้เป็นทีมไปให้ตั้งองค์สองสามองค์ให้จับเป็นกลุ่มกันทํำมาอย่างนั้นกระจัดกระจายมันไม่ได้นะแต่ครูบาหลวงพ่อมองครูบาของเราเนี่ยมีแต่ครูบาจับปากกามากกว่าที่จะจับจอบจับเสียมเพราะนั้นหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันอครูบาที่เคยไม่เคยจับจอบจับเสียมจับ ทําความสะอาดเราการอยู่ด้วยกันทํายังไงมันต้องถนนหนทางไปอยู่น่าจะฐานีน่อะไต้องปัดกวาดนะอันนี้หลวงพ่อไปอยู่น่าจะได้บอกเลยว่าต้องปัดกวาดทาความสะอาดบริเวณรอบกุฏิของตนเองทําไม่งนั้นนะลงไปนะงูเขียวงูเขียวหางไหมงูอะไร มันจะเข้ามาเกาะตามบันไดตัวเองสุ่มซ้มลงไปกันนะั่นมันจะกัดเอาได้ง่ายๆขาดหลวงพ่อลงมาจากโรงน้ำร้อนตอนเย็นเมื่อวานมันก็ยังเกาะอยู่ข้างๆทางนะปูนทีเมนมันดักกินกบกินเขียดหูกเกี่วหางไม่ถ้าเราผ่านเข้ามากับพอดีกัดขาพอดีเพราะนันให้พวกพระทุกองค์นะห้ช่วยกันดู ให้พระเก่านะ่นะช่วยกันดูแล้วก็นนะักติทางฝ่ายตํนักก็ช่วยกันดูอีกเหมือนกันนนะบางทีอาจจะมีคนมาพักพาไซยพวกนี่นะกุฏิมาทิ้งวว้เฉยๆเวลาใครมากันไปพักได้มันรั่วมันเสียหายที่ตรงไหนให้ดู ประตูหน้าต่างให้ช่วยๆกันดูนะหลวงพ่อนมีแต่บอกกล่าวเท่านั้นอะเรื่องปฏิสันฐานคารวะาตาในหลวงพ่อนี่ท่วมท้นนะในจิตใจคําว่ามาวัดของหลวงพ่ออดอยากนะหลวงพ่อไม่อยากจะได้ยินเลยนะอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันเป็นยังไงอาหารหลวงพ่อบอกว่าจะมีกองจะเบี่ยงหลวงพ่ อ, อจะมาคิดอีกเหมือนกันเอ๊ะ จริงหรือเปล่าทําให้มีกองเสบียงนะ่ยตายนะมันท่องพวกเรามันต้องเผื่อๆไว้ด้วยคนตั้งมากมากขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปหาหวังน้ําบ่อหน้าทีเดียวไม่ได้นะหวังน้ํำบอ่อหน้าว่ามีอยู่เราต้องเตียงพร้อมต้องใส่กระบอกไปด้วยอย่างน้อยก็ได้สักครึ่งกลางกลา ง, ง, งมิใช่ว่าเราจะหวังน้ำบอ่อหน้าเทน้ำเทียงทั้งหมดนะตายเลยแต่ ถ้าน้ำไม่มีถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ถึงจะไม่มีน้ำบอ่อหน้าเราก็มีน้ำสักครึ่งครึ่งกลางๆในกระบอกในแก้วของเราก็ยังในจิบพอชุ่มคอพอประทังความตายไปได้นี่ก็เหมือนกันนะเราจะไปไว้ใจทางวางใจคนดเดียวไม่ได้นะต่อไปเราต้องคิดถึงยังไงก็ตามต้องสืบสอบให้ละเอียดพวกพระก็เหมือนกัน ไม่ได้ยินวนได้ได้ยินลมพัดใบมันก็ไปเชื่อไปทั้งหมดเวลามันขายขายหน้าวัดนะขายไม่ใช่ขายหลวงสุ้เจ้านะขายหน้าขายหน้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะนั้นต้องคิดให้ดีแต่ได้ยินว่าเขาจะมีกองทะเบียงตามมาเราก็ไว้ใจเลยก็ไม่ได้นะกองทะเบียง พวกเราต้องเตรียมพร้อมอย่างตัวอย่างเมื่อวานนี่แหละนี่แหละอยู่วัดวาศาสานาแต่หลวงพ่อเอง ต, ตัวไหนที่มันจะหนักหนาสาหัสสำหรับพวกเราเกินแรงกําลังที่พวกเราจะแบกจะหามจะต้อนรับกับสู้นะหลวงพ่อก็ปฏิเสธไปเหมือนกันเพราะเหตุลรเพราะว่าวัดของเราในป่าอยู่ป่ารงพงไพ่ที่จะประสานติดต่อเรื่อง ร้านของร้านค้าร้านอาหารนะมันยากเพราะเราอยู่ในป่าผู้ที่มาท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้รับความสะดวกสบายยังไงแต่ตามไม่จริงเรามันอยู่ในป่าดงพงไพยัยห่างไกลาจากเมืองอุดอรเท่าไหร่เกือบร้อยี่สิบกิโลนะเข้ามาในถนนโหนทางจุดสุดตรงของเมืองอุดอรก็ว่าได้ ดูร้านอาหารในเมืองอำเภอนายูงของเราจนไม่มีข้าราชการจะอยู่ทาวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเลยปิดทั้งหมดสมัยก่อนพนันข้าราชการทั้งหลายก็กลับบ้านกันวันจันทร์ยังค่อยมาทำงานเพราะไม่มีอาหารจะกินกินเตมาม่า อำเภอนายวงถึงขนาดนะะั้นแหะความกันดานแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วละ่ะแต่ดีขึ้นยังไงก็มันก็ยังยังไม่เหมือนอยู่ในที่อื่นของเขาเพราะมันอยู่ในมุมยังอยู่ในมุมกันดานอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อที่จะทําอะไรที่จะรับศรัทธา ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อจะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง มองความเป็นไปได้มันจะหนักหนาสําหรับพวกเราที่เป็นจกของบ้านแต่ลุงพ่อใช่ลุงพ่อเนี่ยเป็นโจกของเป็นผู้ใหญ่แ ต, แต่ลุงพ่อเนี่ยมีต่รับรับรับผกตูกน้องหลังแอน่นและรับไม่ไหวทำไมลุงพ่อจึงไม่ปฏิเสธทำไมลงพ่อจึงรับขนาดนี้งานของหมองเราก็หนักหนาสาหัสพอแรงอยู่แล้วนะ สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็เคยผ่านงานเป็นพระเล็กพระน้อยเป็นเนรมาก่อนแล้วมาผ่านในที่กันดารมาก่อนแล้วนะถ้าว่าหลวงพ่อยอยู่นิสสทานที่ใดก็เหมือนกันเป็นนิสัยเลยละ่ะถ้าแขกแขกคนมาเอาเอ า, เ อ, าอาหารไปไปยกไปให้บางทีตัวเองเกือบจะไม่ได้ฉันพราะในสมัยเป็นพระน้อยพระหนุม่มอยู่กับหลวงตามาหาบัวก็เถอนะิะ หลงตาท่านพอฉันยังหานถ้ามีอะไรเน่ะท่านจะเหลือบแขกคนมา เ, นเราก็จะต้องเออสมัยนั้นมันก็ไม่เหมือนสมัยตุดหลังๆใช่ไหมเ อ, อเราเกือบจะว่าไม่ได้ฉันไม่ได้ทานไม่ได้ฉันไม่ไรเป็นไรเราให้แขกกินก่อนเรากินเวลาไหนก็ได้อดอาหารมาหลายวันอย่าอดเราฉันนิดหน่อยไม่เป็นไรอิ่มบ้าหิวบ้างฮนี่แหละการอยู่กับครูบาอาจารย์ มันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่กว่านมาตัวเองให้กินให้อิ่มเสก่อนไม่มองใครเฉยเลยอันนั้นแปลว่าผู้ไม่กว่างขวางต่อไปภายภาคหน้านะ่ยหาหมูหาเพื่อนอยู่ด้วยยากเพราะอะไรเพราะไม่มีการไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่นั่นแหละมันต้องปลูกฝังไว้แต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เป็นพระเล็กพระเล็กเนนน้อยต้องมองเวลาจะกินอะไรต้องมอง หมูพกเพื่อนทุกคนมีหมูพวกเพื่อนมีอยู่มีกินไหมของเรานมันมากเกินไปหรือเปล่าตาของเรามากเกินไปเอาเฉลี่ยยื่นไปนี่แหละอันนี้คือคือการอยู่ด้วยกันถ้ามินไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ตัวเองกินอิ่มมีพิมันไม่มองเห็นใคร เ, เลยอันนั้นไม่ถูกนะพานเนรลูกหลานนะอันนั้นต่อเป็นต่อไปเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาครับ ไม่มองเห็นใครเห็นแต่ปากแต่ท้องเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นใครอันนั้นอยู่กับใครลำบากในเมื่อเขาเป็นลูกน้องบริวารเขาก็จงเอานิสัยของตัวเองไปใช้อีกผลที่สุดก็เลยกิจการงานตนนั้นไม่กว้างขวางไม่เฉื่อเพื่อแผ่นะี่ชิงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะ หลวงพ่อได้ฝึกมากับหลวงปู่ลาฝึกมากับองค์หลวงตานะท่านให้มองคู่คนอย่างหลวงพ่อได้เอาอาหารไว้เหมือนกันสำมลองไว้ทางของพระของพระเด น, เ น, นของเรามีเพียงพอแล้วสำมรองไว้ถ้าเผื่อว่ามีแขกคนมาในระหว่างเราก็เอาเน้นๆเอาอาหารไปไปให้เขาเนี่อาหารแขกคนมาใหม่เขาได้กินอะไร จัดออกไปนี่ยทุนี้นะเราก็ได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อประกันเพื่อรับรองประกันเอาไว้ถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละนี่แหละผู้พี่เป็นหัวหน้าผู้เป็นสมผานพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าที่เป็นหัวหน้าจะฝูงและต้องได้คิดนะต้องคิดให้กว้างขวางจะไปเห็นแก่ ปากแก่ท้องแก่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเห็นแก่หมู่แก่เพื่อนแก่พักแก่พวกเพราะเราเป็นวัดวาศาสนาเนี่ยไม่ใช่อยู่คนเดียวอยู่เป็นพักเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเพื่อนแต่อยู่คนเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่ถ้าอยู่คนเดียวจะไปหาสร้างวัดไปตั้งกระทบกระแ็บอยู่ก็ได้แต่เห็นหมู่เขาสร้างเขาอยากจะสร้างให้มันใหญ่แต่ผลที่สุดกวาดฉลาเขไม่ทั่วอีต่างหากลกลงลังไปหมด เป็นภาระก็อยู่ตรงอยู่คนเดียว น, ะนี่แหละถ้าอยู่คนเดียวก็อีกแบบนึงถ้าอยู่ว่าคุณอยู่กับหมูกับเพื่อนมากมายก็อีกแบบหนึง น, ะนี่แหละการอยู่อย่างไงแต่บางคนก็ไม่ชอบหมูแต่ไม่ชอบหมูเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็วิ่งไปหาหมูอีกแต่ไม่จริงมีหมูมีเพื่อนไว้ดีกว่าพราะเรามาเกิดมา มีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงมีวงศาคณ า, าญาติไปที่ไหนก็สะดวกสบายแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไหมใช่ยุ่งเหยิงวุ่นวายแน่แล้วล่วละเรื่องยุ่งเหยิงวุง่นวายเพราะมันหลายคนแต่สะดวกสบายไหมการไปสะดวกสบายอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปไหนทุกวันเจะไปโรงพยาบาลเละเขาก็รู้จัว่าหลวงพ่ออินจะมานะเนีก็ได้รับความสะดวกสบายของโรงพยาบาล จะไปส่วนรัชการแล้วส่วนราชการเขาก็รับรู้รับทราบหลวงพ่อเจมาเขาก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างจะไปเครื่องบินแล้วเขาก็จัดการให้อไม่ได้ต้องตรวจต้องอะไรพอ ป, ประมาณเขาก็ตรวจตราดูเพราะว่าเราก็เขาก็เชื่อเราอยู่แล้วะไปต่างประเทศแล้วอย่างประเทศอินโดนีเซียนเขาก็มาลุมวัดมาลุม่มจนหน้าถึงหน้าประตูเครื่องบิน รับรองไปเราก็ได้รับความสะดวกสบายทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเร า, เ, าเมตตากว้างขวางเมื่อเขามาเรารับเขาเมื่อเขาเมื่อเราไปเนี่ยแหละถ้อยทีถ้อยอาศัยกว้างขวางรู้จักคนมากดีกว่ารู้จักคนน้อยนะถ้ารู้จักคนน้อยมีอะไรลำบากไปหมดนะั่นแะเพราะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักใครสิ่งเหล่านี้ ที่หลวงพ่อพูดในผังไม่ได้อวดอ้างแต่บอกเราให้ฟังว่าจิตใจกว้างขวางดีกว่าขับแครบนะลูกหลานนะตอนนั้นเองถ้าขับแค บ, บขึ้นมาแล้วนั่นแนหะมันจะลําบากกว้างขวางไม่ดีกว่านะในความเห็นหลวงพ่อนะแต่ขนาดจิตต่างนาน า, นาทัศนะเหมือนกันตามบางคนก็อย่างที่ใจ่ปจเจกอย่างลวงปู่จามันที่ใส่ปจเจกจะไม่เห็นมองหน้าใครเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นก็จบ ไม่ได้มีความเฉลือเพอแผยไม่มีกินจบท้องแล้วก็จบไม่มีอะไรอันนี้คือนิสัยปัจเจกใช่ไหมอยู่คนเดียวแต่นิสัยพุทธะหรือพระสาวกแล้วสาวกสาวกกะ ผ, ผู้มีบริวารแล้วกันะได้อะไรมาก็ต้องนึกถึงลูกน้องบริวารอยู่กินยังไงใช้ยังไงไปยังไง การหลับนอนยังไงได้รับความสะดวกสบายอย่างไรเนี่ยนะพวกนี้จะต้องอีกพวกหนึ่งนะท่านนั้นทว่าไปก็เป็นอุปนิสัยเหมือนกันนะเราจะไปบอกทีเดียวก็ไม่ได้แต่ที่ยังไงหลวงพ่อบอกทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราอาจจะไม่ได้คิดในจุดนี้ถ้าได้ยินเสียงครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวเออเอาใชา่ถูกต้องน จากนั้นเราก็มองมองเห็นคนเห็นหมู่พักพวกเห็นผู้ที่มาเกี่ยวข้องมีน้าใจเขามาอยังไงพักอย่างไงขาดเหลืออะไรหลวงพ่อ น, นี่ไปเนาะสมัยเป็นพระน้อยพหนุ่มบ้านตาเป็นพระแม่บ้านก็วาา่าได้หลวงตาที่พูดพึ่งใครหลวงปู่คุณมีท่านก็อายุมากเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาเราเนี่ยเป็นพระดูทั้งหมดทั้งแขกทั้งคน ทั้งกุตติที่พักของพระขาดเหลืออะไรมีอะไรขาดเหลืออะไรของใช้อะไรมีอะไรเราต้องรับรู้รับทราบทั้งหมดสอดรู้สอดเห็นหมดในการเป็นอยู่ของของพระสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้สอดรู้สอดเห็นความความชั่วช้าเสียหายไม่ใช่เอาผิดจับผิดจับถูกไม่ใช่เรามีแต่อำหนวยความสะดวกท่านมาอยู่กับเราเหมือนท่านเป็นแขกของเราเป็น ญาติของเป็นแขกพี่น้องของพ่อเรานะแขกที่คนเข้ามาไม่ใช่แขกของเรานะอย่าไปคิดว่าเป็นแขกของเราเป็นแขกของพ่อเราพ่อของเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นลูกลูกหลานในบ้านลูกในบ้านแต่ใครมาจาี้เราจะเมินเฉยก็ไม่ได้เหมือนดูถูกพ่อของเราเหมือนกันถ้าว่าแขกคนมาก็มา เพื่อพ่อของเราทํำไมเห็นพ่อของเราเขาคงไม่มานะี่ยเพราะนั้นเราต้องต้อนรับขับสู้อถ้าเราเห็นแก่วัดแก่พ่อของเราอแก่วัดวาศาสนาเราก็ต้องต้อนรับขับสู้ให้ดีให้สมฐานะให้สมเกียรติเออำนวยความสะดวกเท่าที่จะสะดวกได้ในวัดของเราที่มีนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วดับกลับครูบาอาจารย์ฮะ เพนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดให้พระลูกพระหลานทุกองอย่าอยู่นิ่งๆเฉยๆเมย์เมยไม่ได้นะไม่รับผิดชอบไปไหนนะลูกหลานในการอยู่ด้วยกันต้องมองดูอากาศกิริยาแจ่ห้ามประจบสอพลอนะประจบสอพลอขอนั้นข อ, อนี่เลี้ยแข่งเลียขาเขา น, นั้นอย่าทําเด็ดขาดไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องตรงไปตรงมา มีกิริยามารยาท ต, ต้องรู้จักวางตัวระหวังอะไรเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับราบยศที่ประจบสอพลอเหล่านั้นขอเขาจนขอเขาจนลึกเขาเข อ, อึดดัดจนเขาไม่อยากจะมาวัดอย่างนั้นมีไหมถ้ามีบอกมานะพระองค์ไหนที่เป็นลักษณะอย่างนั้นในวัดของเรา หลวงพ่อไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดโกรธอยากอะไรไม่มีอยู่มีฉันใช่ไหมมันเหลืออยู่เหิือฉันพอแรงนะไปไประจบสอบพอทําไมมันเรื่องของพระนะหน้าต่ำขนาดนั้นเหรอใจต่ำขนาดนั้นเหรอจิตใจจิตใจเป็นอกุศลขนาดนั้นเหรอมันมองถึงด้านจิตใจอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นในพวกเราอยู่อย่างพระ แต่ความมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีมีเมตตาต่อทุกคนที่เขามาเกี่ยวข้องนั่นแหละหลวงพ่อจะให้เป็นอย่างนั้นนะอย่างหลวงพ่อเห็นมาผู้คนเข้ามากทุกคนก็เป็นญาติโกโหติาเป็นญาติธรรมของหลวงพอ่อทักทายได้ทั้งหมดถึงจะอยู่ใกล้กันและอยู่ห่างไกลไปไกลไปกันห่างไกลกันคืออา้าวลักเคารบนบถือเรื่มใสกันคิดถึงกัน มาแล้วก็พูดจาพาทีกันพอแล้วก็จบไปอันนี้เรื่องของพระน ะ, นะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพระลูกพระหลานแต่จะยังไงให้ดูนะกุฏิเสนาชนะที่พักพานั่งใส่หลวงพ่อเนี่เป็นห่วงนะให้ตั้งทีมกันตั้งกลุ่มกันใครจะรักษากี่หลังแล้วเอานากกันน่ะไปช่วยช่วยกันดูแล้วขอชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาถนหนหนทางที่ทาง เข้าไปกุฏิทางไปยังไงต้นไม้กิ่งไม้ที่มันเฟื้อมาแล้วก็ดูขึ้นไปปัดกวาดเอาน้ําล้างถ้ามันมีมดทํำยังไงมดเอาน้ำนะเอาน้ําก็ไปสาดเลยล้างล้างล้างล้างให้มันเปียกซ่าลงไปจากนั้นเขาสบู่เอาน้ําแฟบไปผสมผสมจางๆเททาความสะอาดจากนั้นก็ดูที่ การมดมันมีไหมมีการมดทุกหลังอยู่แล้วเราก็ทําความสะอาดที่การมดจากนั้นก็นะหาน้ํามันเครื่องไปใส่พระใหม่พระเก่าต้องดูนะอเสร็จแล้วให้มันขึ้นอีกแล้วมันมาทั้งหลังมันมาเราต้องรู้อีกเดินรอบอมันมีกิ่งไม้เฟื้อยมาใส่หลังคาศาลาหลังคากุฏิไหมถ้ามันมีเราก็หาตะขอไปเกี่ยวออกตัดออกอยนั้น แล้วประตูหน้าต่างปิดได้ไหมจะปิดได้ใช้กรอนมันมีไหมเนี่ยกูบาของเราก็ออมีอยู่กูบาช่างกูบากรรมนันกูบากรรนันช่วยช่ยเบิ้งนะักกูบากรรมนันนะกูบาช่างช่วช่วยเบืง้งมันตรงไหนที่มันมีปัญหากันเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ฉลาดนะปวดรู้จักนะี่ยแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นนะลูกหลานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเสนาชนะไปอยู่นะับ ถ้าเราไม่พ้นทุกไปอยู่ในภพภูมิใดไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะเราได้ทำความปลอดภัยให้กับพระที่เขามาประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมรว่นแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลนะไม่ใช่เสียเปียบนะอย่าไปคิดว่าเสียเปรียบคนเสียเปรียบคนนั้นแหละคือเมตตาพนะระพุทธเจ้าเกิดมาภพใดชาติใดเสียเปียบสบรรพสัต์ทางโลกแต่ผลที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกเนะพรอะไพะ ท่านยอมเสียเปรียบคนถ้าวเาพวกใครก็ตามเอารัดเอาเปรียบคนมาตลอดนะ่น่ะตกต่ำไปเรื่อยๆนะลูกหลานนะนะหลวงพ่อเองถ้าวาเสียเปรียบก็ต้องมีชั้นเชิงต้องมีออน้ำใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวดีทั้งนั้นแหละนะตอนนี้ไปรับพร